ไม่เคยปรากฏขึ้นในใจของพระองค์มาก่อนเลยว่าทมนี้เราได้มาด้วยความเหนื่อยยากอย่าเลยที่จะประกาศในเวลานี้ทมนี้อันคนที่หนาแน่นดุราคะและโทสะจะเข้าใจแจ่มแจ้งเป็นไปไม่ได้ทมที่ไปทวนกระแสเป็นธรรมที่สุขุมลึกซึ้งเห็นได้ยากเป็นธรรมที่ละเอียดยิ่ง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 ทรงประทับอยู่ในแคว้นกุรุณ น, นิคมของชาวกุรุชื่อว่ากัมมาสธรรมครั้งนั้นพระอาหนนได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าณนะที่ประทับถวายอภิวาบังคมแล้วก็นั่งอยู่ณที่สมควรข้างหนึ่งเมื่อได้นั่งเรียบร้อยแล้วก็ทูลพระองค์ว่าอัสจรพระเจ้าค่าประหลาดพระเจ้าค่าปฏิจจสมุป บ, บาทนี้เป็นธรรมที่ลึกซึ้งอย่างยิ่ง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 ที่เขากล่าวอะไรนอกเหนือไปจากคำพีกล่าวไว้